พอเอวยขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ม่ชอบพอในจิตในใจอาจจะเป็นภายอันตรายสามารถแผดเผาตัวพองเราให้เดือดร้อนเกิดโรแค้นขึ้นสามารถฆ่ากันตายก็ได้พอลมปากลมปากเป็นพิษเป็นภายอย่างนั้นลมปากทำให้คนลร่ิมหลงเพลิดเพลินงัว เ, เ, เมาก็ได้ เขาแสดง เ, เสน่ห์ถูกอดถูกใจก่อลืมเมื่อลืมตัวนีไม้ถึงคือที่ไม่มีหลักธรรมภายในผู้ที่มีหลักธรรมภายใ น, ยในถ้าไหนเป็นไปอย่างนั้นลเล่นออกจากปากเขาพอเขาหยุดพูดมล้วก็ดับไปไม่ว่ารู้บ้าเสียงหรือกลิ่นบ้ารสทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนและแลตกหลายไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราหรือมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราหรือมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะไปส้าคัญมันหมายไปยึดไปถือทําไมเรื่องเหล่านี้เม่อไปยึดไปถือเข้าเราก็เกิดทุกข์ตัวทก่วแต่ตัวค้องตัวทันสอนตัวค้องทันพิจิตรนาตัวค้องทานอีกค้องท่านอย่างนั้นทันจะมีเลงไหลไหลเพื่อเพลินไหลหอมไหลฟูขึ้นหรือไมยึดยงเมืถูก คนมีนาหรือสังเระสนท่านทำจิตทำใจทุกท่านเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสบายอยู่ทุกการทุกเวลามีการพัฒนาจิตใจการพิจารณาตัวของตัวเหนือยทำนะัะมีความสุขความสบายอย่างนั้นทุกท่านที่ห น, นึ่งมั่นหาความสุขความสบายอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระของเนม เป็นหนักขี่พวกเราทุกคนที่จะฝึกสนอดนมให้สมคงตนในรับความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าในร่าสไหม ย, ยังทันกับการกับสมัยไม่มีวิท ย, ยาศาสตร์คนใดและวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันว่าเกี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้นนจะมาตามมําหนิเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากที่ไม่พิจารณาในเรื่องธรรมะแล้ว นำวิทยาศาสตร์ทุกแขนเพราะเรื่องธรรมะของพุทธเจ้านั้นเป็นของดีมีคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติผู้นำมาฝึกหัดกายใจของตนเช่นทานการบนิจากคือ่านสอนให้ภาคการทำก็เป็นเรื่องม่ว่าสมัยทานการให้ เมื่อให้ไปแล้วเราดีอกมีใจเราเล็กๆกขึ้นเราก็สมาใจเพราะเราได้ให้อันนั้นอันนี้นนแก่คนอื่นเรามีอำนาจบารสนะเพราะจิตใจเสเวียเจริญใหคนอื่นสับวอื่นเป็นสุดได้มันเลยเบาเลยสบายของที่เราให้ไปเราไปหมดกรรมสิทธิ์เร า, มาไม่รับผิดชอบเลยเรื่องเหล่านั้นไม่เป็นภาระหน้าที่จะดูแลรักษาต่อไปเพราะเราให้เราบริจาคไปแล้ว โลกอันนี้เมื่อขาดทานเพื่ออย่างเดียวเท่านั้นโลกก็พวยกันเบียดแล้ววุ่นมาไม่มีการเฉลี่ยเจรจาสื่งกันแล้วกันเมื่อเกิดาามาหากไมนมีการให้ทานของดีดามารดาหรือถูกหลับผู้ใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะเข า, สาแสวงหาอะไรไม่ได้ผู้ใหญ่เมตตาเสวยสารให้ทานแก่เขาเขาจะมีชีวิตชีาเติมเ ต, ตมาได้ และนอกจากนั้นผู้ใหญ่เด็กกันที่อดอยากยากจนเมื่อเราสเสียเงินสำหรับเขาสถ า, านเราให้ทานแกกเขาเขาเหล่านั้นคนมีอกมีใจเห็นเมื่อไรยืนแย่แจ่มใสและคนผู้ทําทานกางสู้นห็นควเป็นไทยไปสถานที่ใดเท่าต้องรับผบสู้เพราะเขาได้รับผลรับประโยชน์จากตนที่เคยชงข้อชงหาเขาเป็นไทย เป็นเสน่ห์ท่าให้สัตว์ให้มนุษย์เขารักทานจากเราเขารักให้เขาชอบใจหนึ่งเรื่องของทานภายนอกเป็นอย่างนั้นทานภายในการสะละจิตใจของตนทานมันไปกิเลดตัณหาเนนทิทีต่ต่างๆก่อนเหมือนกันทำให้จิตใจของท่านี่สละละทานความชั่วต่างๆไป ได้รับความผ่อนผัได้รับความสงบด้รับความเยือกเย็นภายในชีวิตก็เหมือนกันคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนเพราะไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เกิดมาต่องรับชีวิตของตัว้รับผลบัติของตัวเรารับของเราอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามาฆ่าเรามาตีเราเราเสียใจไหมเราไปทํากับเขาก็เหมือนกัน เาะนั้นศีลก็ม่ล้าสมัยดังนั้นสมัยอยู่เสมอมาหากโลกทั้งโลกรักษาศีลผลจิตเขาจิดเราเหมือนกันชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันในเรน่ยวหล่ำในศีลในอภิไตยเท่ากันแล้วกันโลกว่าสงบรังนับมีความสุขความสบายถ้าโลกไม่มีศีลเกิดข้าวีดีเดกันขึ้นเกิด รัก ส, ะสะ่งเครื่นเป็นสมดุกันขึ้นมันมีความสงบที่ไหน ม, มันมีความสุขความสบายที่ไหนจริงจึงเป็นเรื่องผีดควรรักษาความพิจารณานำมาประดับตายรายจ่าจิตใจทครงตนหากถือหลาศีลเป็นของคือของงาเสมอในใช้หน้าที่ของเร า, าคนนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอยากจะประเพสอะไรประเพสไปตามใจชอบ ในระวังต้องบอนในศีลไม่กวรเกิดเหวน่ปั่นเสียหายโลกอันนี้จะเหวี่ยยายเดือดร้ถ้าโลกนี้เพียงศีลท่าเท่านั้นจะมีการลบลาข่าพันในแ่มีตำรวดทหารรักษาบ้านเมืองอาวุยุติทรัพย์ต่างๆทิ่งเพราะเหตุใดเพราะมีการฆ่ากันมีการเหยียดเบียนกันไม่มีการลักขโมยกันไม่มีการนอกอกนอกใจกันทั้งสามมีพลายยา มีการโกหกโคกเรามกันเสื่อมสุดจะิตต่อกันมันดีมันดีเศษขนาดไหนโลกก็เยี่ยเย็นเป็นสุขจะไปสถานที่ใดก็ยังภัยอันตรายมนึ่งโลกที่เปล่ยนฝั่นเบียบย้อนย่นวายก็เพราะคนขาดศีลคนม่มีศีลถ้าคนมีศีลอยู่ด้วยกันมันสุขมันสมายจมีจํานวนกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็ตาม มันมีความสุขมันมีความส บ, บายเพราะท่านรักษาศีลเพราะคนรักษาศีลไม่เป็นทางอันตรายต่อกันฉะนั้นศีลพระพุทธเจ้าตาวไว้สองพันกว่าปีเลยล้ะก็ยังน้อมเสมอยังดีวิเศษเรื่องสมาธิความตั้งมั่นของใจก็เหนื้อกันคนที่มีความตั้งมัน่นมีความจิงใจทําทอะไร สำเร็จรือ้งไข่ชิดที่มีนัญหาอะไรโดยเอาใจใส่ทาอะไรโดยความทำจริงดนว่าจะทำงานดานโลกหรือด่านธรรมคนนั้นจะสาเร็จหรือลงไปในสิ่งตตัวปาถนาแต่คนผิวเหละและเล้อไในมีสนาธิความหนักแน่นของใจถูกอารมณ์สัญญาเกยวของอะไรกดปลีไปเหมือนใบไม้ ติตกอยู่ในลานวัดเล่นพัดมาทางนั้นกดปืนไปทางนี้นล่พัดมาทางนี้นกดปืนไปทางนั้นเพราะใบไม้นม่มีรากฐานแขวงสานอะไรเล่มาทางไหนก็พัดไปได้สะดวกสมายจิตใจของคนที่ใน ม, มากแน่ไม่มีสมาธิก็เหมือนกันเขาเยื่อายุอย่างไรหรืออารมณ์สัญญาเกิดขึ้นมาอะไรต่อไปตามเรื่องของอารมณ์สัญญารักตัวหอบเสือตามเข้าไป พอเหนื่อยชันนิดหน่อยก็โดี๋ยวหนื้มาคิดถึงเขาอีกไปอีกมันเป็นของดีมีคนขค่าไหมคนที่หลาะแหล่เหลื่อยไหลไม่มีใจหนักแน่นทรงานอะไรเหนื่อยเหนื่อยเหื่อยหัวนิดหน่อยยากเลดหน่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยก็โดดหนี้ไปทำงานนั้นอืน่นทำงานอันอื่นก็เหมือนกันเลยเสร็จเสร็จเสร็จสิ้ น, น, นสักสิ่งสักอย่งางคนแบบนั้นใครต้องการใครตากถนาตัว ข, ของเราเองก็เหมือนกันหาก หยุใจหล่อแหละเลี้ยไหลคิดอันนี้มีอารมณ์ันใหม่เข้ามาแทรกสร้างมาเกี่ยวข้องเลยเลื่อหลงเราก็ํตั้งตัวของเราเข้าใจมนนันคงใจหนึ่งแน่นอนฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านจะควรศึกควรปฏิบัติให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงทําอะไรให้เอาใจใส่ตั้งใจจริงจัง งานแบบนั้นถึงจะยากจะลำบากหากเรามีความอดทนผากเพียนก็จะสาเร็จได้สิ่ ง, ท, ท, ไไงที่คนอื่นทำไม่ได้คืองทีคนอื่นทํายากเราทําได้เป็นควกสบายนั่นแหละเขาถือว่าคนดีถ้าสิ่งที่ทำง่ายง่ายใครทำก็ได้ใน่าเดียวก็เพืใดญ่เขาเลยถือว่าเป็นขอดียิ่เศ ษ, ษ, ษเพราะทุกคนทําได้ มีเราทําได้สิ่งที่เขาทําไม่ได้เราอดทนได้สิ่งที่เขาอดทนไม่ได้เราต่อสู้ได้สิ่งที่เขาเรืต่อสู้ไม่ได้จึงแบบถือว่าเป็นคนดีเพราะจิตมีสมาธิความหนักแน่ความจริงใจทําอะไรทําจริงปัญญาเหมือนกันพิจิตรนาให้ั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยาก ไปทําตามอำเภอใจให้ค่ายคิดที่แกนาเหตุผลจริ ง, จงใจให้จิตใจเข้าใจเห็นเหตุเห็นผลจึงลงมือทำผุดจิดในสิ่งเหล น, นั้นมันไม่ผิดปัญญา ก, ก็เป็นสิ่งที่มั่นแน่ของทุกอย่างหากขาดปัญญาสมาธิก็พังไปีกเสียไปปัญญาจึงเป็นเรื่องสาคัญ คือพวกเราท่านจะอบรมให้เกิดเทวนี้ได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการศึกษาการพิจิตรเจนาปัญญามีสามขั้นธรรมบัตรสุตมะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับรับฟังนี่เป็นปัญญาขั้นต่ำได้ฟังจากคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดปัญญาเกิดจำนำมาพิจิตรเจนาในตัว จินตามายปัญญาปัญญาจากการคิดเทียเท่ยงธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดปัญญารู้เข้าใจในสิ่งเหล่า น, นั้นการเป็นจรยงข้องหมดนี่คือจินตามายาปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดจากจิตจากใจท่องตัวเองภาวนามายาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาะ <c oughs> การภาวนานี้ s เป็นปัญญาทรามสุดยอดเกิด อ, อย่างไรหากเราเนีตั้งใจคิดนิพพย์ใจมาไม่เคยภายนะก็ไม่ทราบว่าปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่งหลับหูหลับตาไม่เด็กโยวขวางกับอะไรปัญญาทําไมมันเกิดขึ้นถ้าเน้นั่หลับตาทิ้งทหลับตานอกตาในทันยินิฉัยคิดนิพที่ใจมา ภายในของท่านทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาตามเป็นจริงเช่นพิจารณารูปภายในกายของตัวยูะไรทุกสิ่งทุกอย่างผนขนเลือดฟันเอ็นกระดูกท่านที่นี้พิจารณาให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรมันสกปรกหรือมันสวยงามอย่างไร มันมัคงหรือมันแปรเปลี่ยนอย่างไรมันบอกได้หายหรือมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันผานพิจารนาเข้าใจถนัดชัดเจนหรือจิตที่พิจารณานั้นธาเนีเหนื่อยเหนื่อยหิเข้าสงบแล้วครับดับตารพิจารณานิ่งเกิดความสุขความสัมมานอกจากนั้น เมื่อจิตเคยฝึกอดเมการที่มิจิเจนาภายในเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงมีความมืดความสงบเป็นมูลฐานของใจเหื่อเหนื่อยในการที่มิจิเจนาขอขอก็เข้าสงบอะไรเกิดขึ้นผ่านมาในว่ดจะเกิดขึ้นในการใดสมัยใดจะเกิดปัญญาแก้ไขเหมือ น, นั้นให้ตกออกไป จากจิตจากใจของตนนี่คือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งๆที่ไน่มีคนอื่นมาแนะนำทำสอนอะไรจะมีเหตุการอะไรที่เกี่ยวข้อง คือจะดับยุเหล่ปัญหาดับเมื่อนาทีที่เขาตป็นให้สงบระงับได้คําสอนของพระเจ้าที่ถือเป็นไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาถูกต้องมีงาน ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิชาความรู้รูกความหลุดจากกินตจะเกิดขึ้นแต่ในใคนอื่นจะหามาให้ตัวของเองจะตัวของตัวเองจะเห็นเป็นตัดแต่งเฉพาะตัวมีการภาวนาการประพฤติปฏิบัติธรรมะจิตใจเฉยได้วุ่นขุนมัวจิตใจเย เรื่องพวกใจเนเองรูปพวกเรื่องพวกกายตัวเองแต่จากชัดเจนแล้วเลยรีแจ้งทั้หมดศัพท์ในโลกในอดีตจะเป็นมาอย่างไรในรรอนาคตจะเป็นไปอย่างไรก็อความใจทั้งตนเพฤ่อปฏิบัติฝึกฝนมาเป็นอย่างนี้พี่ใหญ่นะประจักษ์ในตัวแล้วเลยมีเอารื่นหลอรูปจะเป็นรูป อ, อ, อะไรมาเสียงจะเป็นเสีย ง, ะ อ, งอะไรมา จิตไปติดข้อใส่หมองเพ้อเพลินอย่างไรนั้นไม่มีอะไรที่ใจบริสุทธิ์นั้นจะไปลืมหลงไปติดข้อไปเพ้อเพลินหรือไปมัวเมาเพราะความ้ริสุดธิ์ของใจโดยสุดในอกวมมาถึงถี่แล้วมีความสุขความเติเส็อย่างนี้จะไปโลกไหนไม่มีการลืมหลงโล ปฏิบุบันในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาสำหรับใจ น, นี่คือโลกวิธูภายในซึ่งทุกคนเมือ่อสุกฝนปฏิบัตปฏิบัติแล้วอาจทราบอาจเห็นอาจเป้นขึ้นจากการกระทําข้องตนและความสุขที่ไรเสดยิ่งเสดยิ่งก่าโลกก็คือความสุขที่จิตใจหลุดพ้นไปจากสมนมุกจากที่เหลือปัญหาหนับ ราคาเทสะโมหะภายในจิตในใจทงเป็นได้ย็นสบายทั้อยู่ทั้งตายอยู่ศาศาก็ไม่มีอะไรที่จะทาร้ายสายสังอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะช่วจะเสียจะเป็นคิดเป็นภัยจะโลภหรือจะตัวเองตายก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายจะห่วงว่าจะ พปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางเพราะเคยไปไปจา ก, กียรแล้วมีอายุไปหมืน่นปีแสนปีความดีดีเศ ษ, ษ, ษ, ษจะเกิดขึ้นอีกไหมกรณีทางสงสัยว่ า, าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกจะแก้ไขอะไรอีกจะป่าถนาอะไรอีกเพราะความสุขความสบายความหมดจดจากขี้เหรตัญหาได้ไปจาก ในจิตในใจเพิ่งเปแล้วจึงนึมีปัญหาอะไรใจจึงสุขใจจึงเปิดเสรนันถิสันตีตารางสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีความสงบขั้นนี้คือความสงบหมดที่งเหนือปัญหาจึงหนึ่มีทุกข์ภัยอะไรเกิดขึ้นแล้หนมีความสุขอื่นในโลกในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบัน จะเทียบกับความสุขจิตใจของท่านหมดเ ก, ดกเลียดจีเบิดนั้นไม่มีมีความสุขอันเดียวเท่นี้เป็นความสุขที่เลิศประเสริฐสุดพระพุทธเ จ, จา้าท่านเห็นชาวกท่านเป็นอย่างนั้นท่านพิจารณาิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นใจมีความสงสัยว่าจิตใจของตนนั้นจะควรจะนะส า, าสางอะไรอีกจะไปพิจารณปฏิบั ต, บติอะไรต่อไป ไม่มีทางสงสัยทั้ทงอดาาีตทั้งอนาคตแต่จากอยู่ในปัจจุบันว่าความหมบเกิดของจิตเป็นอย่างนี้เลยไม่มีอาการทั้งกระถาไมนมีปัญหาอะไรที่จะก่อเกี่ยวจิตใจของตน เดือดพองกาวไม่นั้ใหญ่ไถ้เสืออะไรที่นอนกับเพียงนิดเดียวสอบโยกพอที่นอนก็เพียงสี่สอบเท่านั้นแก่ใจมันหลงไหลไฝ่ฝันดยากได้ใหญ่โตแล้วโหฐานอย่างนั้นอย่างนกายจริงจัมันหนึ่งรู้จักอะไรนอกจากใจที่ไป้ใฝ่ฝันเตลรุ่มหลงแก่ใจให้หมดความรุ่มหลงให้หมดความอยากให้หมดที่เหลือปัญหาแล้วยิ่เกิดสุข แราเสดวิเศษและไม่มีคนอื่นที่จะแก้ไขให้หนอกจากตัวของเราจะแก้ไขจิตใจของเราเองฉะนั้นเป็นนำไปที่นิพพยานศึกษาต่อพิจาปฏิบัติจะเห็นความสุขความสงบความสงัด ค, ค, ความเย็กเย็นของใจพระพุทธเจ้าเป็นชาติเป็นอย่างไรเราจะเห็นความบริสุทธิของท่าน เดี่ยวตัวของตัวเองพือปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงโดยมีคนอื่นที่จะอธิบายให้เราเข้าใจให้เราได้เราถึงนอกจากเราเองจะปฏิบัตปฏิบัติเท่านั้นแต่เห็นใจเองความสงบเป็นอย่างไรความหมดเจิตจากที่เหล็ดเป็นอย่างไรหมื่ถูกปฏิบัติถึงผลแล้วมันเหมือนกันหมด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 มันไม่แต่จะหลงจิตใจตัวเลื่อยไปอ่ะไม่มีอะไรถึงจะเป็นโรกโลกกับวิถีได้ปัญหาเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองที่อยากยิ้มว่องใจนี้ใจนี้มันไปเพื่ออะไรได้ใช้ อ, อะไรจากการไปท่องตัวยื่นปัญหาตัวไหนมันตกไปใจมันสุขสงบหรือไม่ม่ลืมวอกคิดเขอเามาภายในในใจหลง อากมณ์คล้าใจตะคุบเลื่อยไปเหมือนกับไล่ตะคุบเราไล่ไปเท่าไรมันก็จะหยุดไม่อยู่ให้ถ้าอยากจะให้เงาหยุดไล่นื่มันก็หยุดถ้าไล่เดินมันก็เดินไปถ้าไล่ยิ้มมันก็ยิ่งไปเงาของเราเป็นอย่างนั้นอารมณ์ค้องใจกันท่านองียกันเหมือนพี่นิพิจายนาสอนใจของตัวหาใจสงบจะเกิดความสุขความสบาย กาอธีบายธรรมะเห็นแ่บตัวของควรจีวาลเะยุติเปนแนี้